พระธรรมเทศนาแผ่นที่77ลำนับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกุวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีสแสดงคำในวันที่7มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าสุขที่แท้จริงคืออะไร เมื่อวานรู้สึกก่เสียงฟ้าร้องแต่ฝนไม่มีฝนตกคนโบราณก็เปรียบเทียบในมาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าฟ้าร้องฝนไม่ตกฟ้าฝนตกฝนไม่ร้องท่านเปรียบเทียบว่าคนผู้ที่จะจะทำบุญอยากจะทำคุณงามความดีประกาศหน้าประกาศหลังดังทั่วบ้านทั่วเมืองผลที่สุดมา้องจ้องจ่อย ไม่เข้าวัดไม่รับรักสีสาสินไม่ภาวน า, อ, าอันนั้นว่าฟ้าร้องฝนไม่ตกถ้าฝนตกฟ้าไม่ร้องในคล้ายๆเอดึกหนเวลาน่ะมาทำบุญมีอะไรก็ทำด้วยความตั้งใจสนใจผลใ้สุดทำด้วยความเต็มใจแล้วกะจบไม่ต้องพูดอันนี้ว่า ฝนตกฟ้าไม่ร้องอันนฝนร้องฟ้าร้องฝนไม่ตก <c oughs> ว, วันนี้เป็นวันที่เจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชัน2 5หวันนี้พระในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่41รูปนะคณะสัตธายิโยมลูกห้านลงมาฉันส3สามงดฉันแปด ท่านหลวงพ่อบอกว่าพระส1เอนับดูทำไมหลวงพ่อนับพระไม่ครบหรือเปล่าท่านงดฉันท่านไม่มาฉันแล้วก็วันนี้สองสามวันที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาโยมเก่าแก่โยมผู้เฒ่าที่บ้านนาคางังชื่อว่าตูตูศูนย์ท่าน ตายไปเมื่อสองสามสีวันไปชุมเพลิงเพลงเมื่อ ว, วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะลูกหลานจะได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ตู้ส่วนเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้ผู้หมวดติดเป็นผู้กล่าวคําถวายทานอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้เท่าในหมู่บ้าน ผู้มีอายุในหมู่บ้านของเราที่จากไปพวกเราลูกหลานก็ควรจะให้ความสำคัญผู้สูงอายุเพราะนั้นให้พากล่าวคำถวายทานเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศล น, นั้นก็ดนะีเหมือนกันนะเอาหมวดนำใบพระแล้วก็กล่าวคำถวายทานเลย อิมินาส ก, กาเลนาทาังพุทังอภิพุจวันนี้ก็ได้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมได้อุทิศส่วนกุศลถึงผู้เฒ่าผู้สูงอายุที่ท่านล่วงลับได้ดับับขันไปแต่ไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่เมืนน่อนี่ตูสูนถึงแปดสิบไม่ลูกหลนหานฮะ เจกอ๋อก็ไม่แก่เท่าไหร่ก็ไม่หนุ่มได้กําไรปีหนึ่งทําไมถึงว่าได้กําไรปีหนึ่งลูกหลานก็อบอกว่าตั้งแต่ปี2500มานี่ยคนที่อายุ75หปีเนี่ยเป็นอายุไขของมนุษย์แปลว่าอายุไขคืว่าอายุมาตรฐานอ่ามาตรฐานของมนุษย์ก็คืออายุ75ดบห้าปี ถาว่าใครต่ํากว่าเจ็ดสบห้าไปว่าขาดทุนนะแต่ถ้าว่าใครอายุเกินเจ็ดสิบห้าไปเกินมาตรฐานไปตู้สูงในเกินมาตรฐานไปปีหนึ่งเหมือนนได้กําไรปีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ที่หลวงพ่อว่าได้กำไรอะไรเนีคือชีวิตอสงไขใ่ใช้คำว่ามาตรฐานของชีวิต ที่นับกันก็นกนคืออายุ75หปีเป็นอายุไขคือมาตรฐาน <c oughs> แล้วก็พวกเราก็ได้อุทิศศูนกุศลให้ผู้สูงอายุตู่ศู์ที่ล่วงรับดับขันไปเป็นผู้เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านนาคลังของพวกเราหลวงพ่อไปบินทาบาทถ้าหากว่าสุขภาพของพ่อตูดีกระใส่บาททุกวันไม่เคยขาด เว่า <c oughs> เป็นบุญคุณสำหรับพระสงฆ์องค์ขาเจ้าที่อยู่วัดของเราแต่จะทำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้วันนี้เป็นวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558 แล้วพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อได้ปารบเกี่ยวกับคนตายผู้สูงอายุในหมู่บ้านแต่ในหลวงพ่ออยากจะถามแล้วว่าตั้งคำถามพวกเราท่านทั้งหลายดูชอว่าให้เราพวกเราท่านที่นั่งด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนึกย้อนหลังไปแล้วก็นึกไปทางหน้าแล้วก็นึกมองภาพที่พวกเรารู้จักมักคุ้นแล้วก็นึก ดูคู่คนทุกระดับที่เราได้พบได้เห็นได้ยินจะเป็นสื่อหรือว่าในสื่อต่างๆนึกดูซิว่าหลวงพ่อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คำถามของหลวงพ่อนะเป็นคําถามของพระพุทธเจ้าที่ท่านถามมาแล้วเมื่อ 2,500 ปีแต่ข่าวนู้ดล่ะท่านถามมาเลย หลวงพ่อเลยมาถามพวกเราต่อให้พวกเราหาคำตอบให้ตนเองแล้วก็นึกดูสิว่าที่คำถามคตอบคำนี้เนะี่ยมันเป็นคำจริงมากน้อยแค่ไหนที่ท่านถามว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีไ ตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้ความทุกข์กว่าที่จะมัดกว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งดูจุดต้อยมุมอับของตอนเองในตัวเองออกอยากจะให้เด่นดังในมุมนัดอีกในเมื่อมาแต่งงาน คิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีกทุกเอกเอาอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาเอกลูกไม่ได้อย่างใจเอกพูดจะพาที่ลูกก็ไม่ได้รู้เรื่องเอกทุกใจอีกลูกอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือสูงส่ ง, ส ง, สงไม่ได้อย่างใจทุ ก, อกเอกจนเป็นผู้ใหญ่ แต่งงแต่งงานไม่ได้อย่างใจพ่อแม่ทุกเอกในระหว่างดูแลครอบครัวสามีภรรยาหาเงินถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกอยู่ทุกระดับ อ, อ, อันนั้นคือชีวิตของคราวญอย่างชีวิตของพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวง พ, อ, งพอมีความสุขไหมวลอลหลวงพ่อพูดได้เลย บริหารเรื่องวัดไม่ใช่ของสนุกพระเดนอยู่ทั้งนั่งอยู่ทั้งซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยสี่สิบเอ็ดรูปเนี่กัรล้วนแล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยล้วนแล้วแต่มีอยู่มีกินมีมีใช้หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเลี้ยงลูกน้องขนาดนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังจะทำยังไงจึงจะดูแลเวลาใช้ ลูกน้องแต่และองค์ไปทำธุระหน้าที่การงานกลับมาถึงวัดจะก่อนออถ้าไปแล้วอาจจะรถเฉียวรถชนตายออก็ต้องเป็นภาระของหัวหน้าหลวงหัวหน้าขอือนการที่จะออกไปทำภาระธุระให้กับวัดวาศาสนาล้วนแล้วจะมีแต่เรื่องแบกภาระทั้งหมดนั่นแหละหลวงพ่อมองหลวงพ่ออย่างนั้นนะลูกหลาน แล้วจะนี่เรื่องอาลาบเรื่องยศก็เหมือนกันถ้าใครมีเงินมากามียศมากมีสรรเสริญมากมีสุขมากาคือว่าโลกธรรมสี่แล้วก็พูดที่จะมาแย่งลาบแย่งยศแย่งสรรเสริญเราก็มีอีกท่นะสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านเ ป, เปรียบเทียบว่าเหมือนกับไส้เหมือนกับไก่ตัวหนึ่ง ไปคาบไส่เดือนได้ตัวหนึ่งและก็ตัวอื่นก็มาแย่งไส่เดือนไก่ตัวที่มันคาบไปก่อนตัวนั้นก็เว่งหนีจากหมูเพร่จะใจจะไปกินตัวเดียวเพราะว่าตัวเองได้ไส่เดือนไก่ตัวอื่นก็ลมก็เตะเตะไก่ตัวนั้นผลที่นันไก่ตัวนั้นก็เลยสะบักสะบอมไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กิน ไ, ไนส่เดือน ตัวนึ่งก็พอมันหลุดออกจากปากตัวนั้นก็คาบอีกแล้วพลาดไปก็ เ, าาเกกตะเอกไล่กันไปไล่กันมาผลที่สุดชสเดือนในโลกขาดไปที่ไหนก็ไม่รู้เอาไปมาแลยไม่ได้กินสักคนมีแต่ไก่ต่ว น, นั้นแหละถูกเตะถูกอา่าสบักสอมไปเกือบทุกตัวอันนี้แหละท่านเปรียบเทียบ ว, ว่ามนุษย์ของเราเกิดมาในโลกเลยแย่งลาบแย่งยศกันเหมือนกับ ไก่แจ้งไสเดือนกันอ่เอตะตีกันอ่สะบักสะบอมไปเกือบทุกตัวเนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราเกิดมาในพื้นปีพบเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์หาความสุขที่แท้จริงหาู้สิตประหาได้ที่ไหนแต่เมื่อหาไม่ได้แล้วจะทำยังไงพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหา ดูตนเองอย่าลืมตัวให้มองตัวในเมื่อเราหาความสุขไม่ได้อย่างนั้นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะปล่อยวางยังไงเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรไม่ใช่ว่าประชดชีวิตของเราดื่มของเหมือนเมาเข้าไปอาบายามุกทุกอย่างประชดเข้าไปอันนั้นคือความสุขอย่างนั้นใช่ไหมเยี่ยงเพิ่มเติมเข้าไปอีก เมื่อ เ, เพิ่มเติมพขาบิ่งริงทุกหนักเข้าไปอีกแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละวิธีแก้ไขท่านกับวันเนี่ยไม่มีทางอื่นมีแต่ทาใจดูใจของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกเ็าทาให้มันถูกต้องในการอยู่ด้วยกันกับมีการเสียสละเ อ, อื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันพูดจาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิ การการกระทำก็เป็นสัมมาทิฏฐิการพูดก็เป็นสัมมาทิฏฐิการคิดในใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วชั่วรู้ไหมชั่วฮะพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วพวกเราจะต้องรู้ เ, เว้นเสียแต่โกหกตัวเองทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ทำไปปิดบังเอาไว้เพื่อให้คนอื่นคนอื่นคงไม่รู้ อปิดฮปิดปิดความชั่วแล้วปิดความในใจของตนเองเขาคงไม่รู้นแต่แต่ไม่จริงตัวเองรู้ว่าอันนี้คือคิดชั่วอแล้วก็ทําออกไปก็คือทำนั้นมันชั่วพูดออกไปก็ชั่วอแต่ว่าฮปิดไปปิดไว้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอแต่ว่าความชั่วมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ ตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็ฝากไว้กับคณาจารยญาติโยมลูกหลานทุกๆคนให้ถามตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรเ ร, เราจะเราจะะสแสวงหาความสุขให้กับตนนั้นเราจะหาด้วยวิธีอย่างไรความสุขที่แท้จริงหาความสุขแท้แทแท้จริงเราจะหาอย่างไรเอ เราต้องหาตามแนวแถวของพุทธพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรที่ท่านไปบำเพ็ญแล้วก็แนะนำทำคำสอนที่พระองค์ได้ตัดรู้ดวา ร, รู้แจ้งเห็นจริงหนทางมรรคคือหนทางที่จะไปสู่ความสุขความจเจริญไปความหาความสุขที่แท้จริงนั่นเเดินอย่างไรอันนี้เราต้องศึกษานะ ต้องศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินหรือพาเดินหรือพาปฏิบัติมาแต่ท่านก็บอกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็คือเราเห็นแต่ความว้าวุ่นคุณมัวแต่ละวีแต่ละวันแ ต, นแต่แต่ตื่นขึ้นมาแลยกัปวดหัวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้น ก่อนจะหลับไปเราเห็นแต่ความว้าวุ่นมีแต่เห็นแต่ความทุกข์ก็เห็นความสุขก็จริงอยู่บางทีได้เงินมากกอใส่กระเป๋าเข้ามาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอพอเงินขาดไปก็หนักนิ้วขิ้วขมวดเอเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีอกดีใจเอเวลาเขาดด่าว่าการเขาทําให้ถูกใจทําตาเลให้เราเราก็ทุกใจอีก สลบแล้วก็คือมันมันคนแล้วพลิกฝ่ามือพลิกความพลิกหงายตัเองไอ้ความสุขของในใจของพวกเราให้พวกเราสังเกตนะเพราะนั้นท่านจึงให้มองดูใจขนาดมองดูใจด้วยสตินะด้วยสติแล้วก็ปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองเอมันกับขาวดำขาวดาขาวดาวดเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เห็นเห็นเห็นใจของตนเองเออมันแนวความคิดของในใจของเรานะถ้าเราเรามีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาเออปัญญาแล้วก็สติสัมปญะดูใจของตัวตเองในความนึกคิดของตนเองนั่นแหละใจะเห็นได้เท่านเห็นกันว่าขณะจิตของเรานึกคิดคืออนิจจ์นะมันไม่เที่ยงมัน เกิดดับเกิดดับจะตรอดเวลาเวลาแล้ ว, ลวกค็คิดนั้นคิดนี้คิดนี้คิดนั้นคิดนั้นคิดเออมันยิ่งกว่าลิงอีกเสอีกในใจของเรานั่นแหละให้มองดูจุดนั้นนี่ั่นแหละความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้นถ้าเป็นอนิจจังอยู่สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอให้พวกเราดูนะถ้ามีสติ ถ้ามีสมาธิแล้วจะเห็นได้นะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางไม่มีทางที่จะเห็นได้เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งที่ว่าความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาตินั้นคืออะไรและจะหาความสุขออในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนั้นจะหาเดินอย่างไรได้อย่างไรออนอกจาก ไปหาที่อื่นคว้าไปเถอะในจักรวาลหลวงพ่ออินนี่จะสร้างวัดใหญ่สร้างขนาดสร้างในขนาดไหนก็สร้างเถอะลูกศิษย์บริวารมากมายขนาดไหนก็เถอะนะจะมีความสุขไหมมีแต่หลวงพ่ออินหันความรู้สึกเข้ามาดูตรวจนึกคิดปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางอยู่ที่ใจนั่นแหละ บรมที่บรมมาสุขตามแนวแถวของพุทธะนะแต่จะสร้างอย่างอื่นสร้างไปเถอะมีสื่อเสียงก็มีไปเถอะอีกสักวันหนึ่งทิ้งทั้งหมดจะรับผิดชอบรนาดไหนโกรธโกรธเกลียดรักขนาดไหนก็เถอะทิ้งทั้งหมดไม่ไม่ไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้แต่ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่มันดี สิ่งไหนที่อยู่ได้กับชุมชนสังคมเราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะแต่ในใจของเรานึกในใจของเราเป็นภาษาใจของเร า, เ, าเรื่องจะทำดีขนาดไหนก็เถอนะน้าเทงทั้งหมดนะหลวงพ่ออินนะอ่อันนี้ก็คือพวกเราก็ให้สอนใจของพวกเราแต่ภายนอกเราต้องทำให้ดีสรุปแล้วก็คือเราอย่าลืมตัว อ, อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ั่วฟ้าดินสลาย อีกสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งทั้งหมดนะถ้าเราคิดอยู่ในใจอย่างนี้สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีอันไหนดีรู้ไมมดีทำดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ทรงธาตุขันอยู่เมื่อเราถึงจุดจบแล้วก็เราก็ต้องไม่ต้องคิดเพราะเราคิดไว้แล้วทุกอย่างเราได้คิดไว้แล้วทุกอย่างชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น ถึงจะเกิดมาพบหน้าชาติน่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแต่คิดว่าให้พวกเรามั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ว่าตายแล้วไม่สูญนะทำยังไงหลักพิสูจน์คือให้นั่งภาวนาในเมื่อนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว น, น, นั่นแหละจะเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใครท้าว่าถ้านั่งจิตใจยังไม่สงบนะั้น ต้องถามวันยังค่ำละ่ะสงสัยจะตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าใจของเรายัางไม่สงบยงังไม่เป็นหนึ่งในเมื่อใจของเราเป็นหนึ่งเน่งไปแล้วนะจะเห็นร่างกายกับใจใจกับกายชัดเจนในเมื่อเห็นร่างกายกับใจชัดเจนแล้วนะตัวที่ไม่ตายคืออะไรคือใจอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบว่าสิ่งที่มันตายคือรถ โซเฟอร์ออกจากรถนะจตัวนั้นะตัวที่ไม่ตายตัวโซเฟอร์น่ะไม่ตายถ้าจิตสงบเราจะเห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดแนแนวรูม แ, แนวแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ น, นำไปตีแผ่เรื่องขยายผลนำมาคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลดูสิจจิงไหมนะ ที่ท่านถามว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรนะับผ <c oughs> ่บอนะนะท่นี่นะอุทิศส่วนกุศลหนน้าะ